ل ا ل l a ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد ر الح ض وأشهد أ لا إله إلا الله وحده لا شريك له إ ل الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بهدا ودين الحق ي ُ س ْ ن ِ ي ا ل ر َّ د ِّ ي ِ ك ل أ إ ول ه وَلَوْ ك ل َ ه َ ا الكافرُ أَمَّا بَقَى لَقَالَ ق َ ر َ ب َ ت عَلَى فِي كِتَابِ ا ل ك َ ر ِ ي م ِ ب َ ا ر, ر, ر, ل ق ل ق ر أ ع ُ و ا ب ا ل ل َّ ه ِ م ن ا ل ش َّْ ط َ ا ن ِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح م َ ن ِ الرَّحِيمِ إ ن ر َ ب ك ل َ ب ا ل م ِ ر ص ا د ف أ َ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا م ب ت َ ل ه ر َ ب ه ف أ ق ر َ م َ ه و َ ن ع م ه ف ي ك و ُ ر ب ي أ َ ق ر م ا و َ أ َ م َ ا إ ذ ا م ب ت َ ل ه ف ق د ر ع ل ي ه ل ِ س ق ه ف ي ك و ُ ر َ ب ي ّ أ َ ه ا ن ا พี่น้องที่รักยิ่งครับหลังจากที่พระบุตรสุภานาหัวตาได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในส ah ุรอะลฟัตที่เราพูดคุยไปแล้วถึงการสาบานของพระองค์แล้วก็ถึงกลุ่มชนต่างๆที่พระองค์ให้ความเมตตาความโปรดปานอย่างมากมายให้กับพวกเขาแล้วเขาก็เลือกเป็นผู้ที่ปฏิษษเสธศธรรมฮะเลเลกาต่อคําว่าอินนารับบะกะลาบิลมิรซอดแน่นอนเจ้านายเจ้าหลอดของพวกเจ้าพระองค์นั้นย่อมเป็นผู้ที่ เฝ้ามองดูอยู่เสมอทรงรับรู้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทรงรับรู้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเล็ดรอดไปจากการมองเห็นของพวกลอสบานวาตาไปได้อาญะคุรอ่ร า, อานอายะนี้เป็นอยายะที่ว่ามุสลิมเราควรจะได้ตระหนักกันให้มากๆในหลายๆเรื่องด้วยกันในหลายครั้งที่เราเข้าใจผิดหลายครั้งที่เรารู้สึกแย่หลายครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีพีนักเคยมครับเรียกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเห็น การกระทำเกิดขึ้นบนโลกเราอาจจะเห็นคนดีที่ว่าถูกทําร้ายถูกคนดีที่ว่าถูกสังหารแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นเรื่องสลดเศร้าเป็นเรื่องที่เราต้องหาทางในการช่วยเหลือพี่น้องของเราเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันครับบางครั้งเนี่ยบางคนอาจะรู้สึกว่าทำไมพวกเราไม่ช่วยเหลือพวกเขาเขาทําผิดอะไรทําไมเขาต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นและทําไมคนช่วถึงรอยนวล อยากให้เกิดคนที่ไม่ใช่มุสลิมกว่ า, า จ, จะบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปถูกไหมครับผมเพราะบางทีเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจว่าอยู่ตรงไหนเนอที่เรียกว่าความยุติธรรมหรือว่าทําไมคนดีถึงไม่ได้ดีหรือว่าทำไมคนดีต้องผ่นไปเดินก็คือเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองในสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมองมุสลิมเราสำคัญมากนะครับเมื่อเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราต้อง กลับมาทบทวนตัวเองให้มากขึ้นกับคำว่ามุสลิมมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนผู้ที่ยอมจำนนแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าผู้ที่จะมีแต่ความสุขไม่ได้แปลว่าผู้ที่ว่าเขาจะเป็นเด็กเส้นของร้อนแล้วเขาจะได้แต่สิ่งที่เขาต้องการจะได้ไม่ได้แปลว่าผู้ที่แบบเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําถึงเวลาแล้วจะให้เพ่ให้กับเขาไม่ได้แปลว่าผู้ที่จะไม่ถูกลงโทษมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนคือในดุนยาเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเราพร้อมที่จะมาเชิญหน้ากับมัน ในมุมมองของมุสลิมไม่ใช่ในมุมมองของคนต่างศา ส, สนกหรือว่ามุมมองของกาเป็หมายความว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเรารู้ว่าัวกลสุบาตานั้นเมตตาเรามากกว่าที่แม่ของเราเมตตาเราส่เพ มุสลิมบางท่านที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยยาวล้อทำไมฉันถึงลาบากยาวล้อทำไมถึงประมาณยาวล้อใส่ทำไมทำไมฉันยิงเจอรถเสบันี้ยาวล้อทำไมเนี่ยพ่อแม่ต้องมาแก่ต้องมาอยู่กับฉันทําไมฉันต้องมาเลี้ยงดูทั้งทั้งสองหรือยาวล้อทําไมคู่ครองฉันเป็นแบบนี้หรือยาวล้อทําไมฉันต้องเจ็บป่วยยาวล้อทําไมฉันพยายามเหน็ดเหนื่อยสารพักทำไมชีวิตฉันมันไม่ดีขึ้นสักทียาวล้อทำไมเนี่ยมันโกงฉันทำไมมันรวยเอาเลยเอายาวล้อยาวล้อยาวล้อหลายครั้งสิ่งที่เราตัด พรอสิ่งที่เราบ่นหรือว่าความรู้สึกแย่ๆของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งปัญหามันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราไม่เข si ้าใจไม่เข้าใจอะไรครับไม่เข้าใจความหมายของคําว่ามุสลิมไม่เข้าใจความหมายของคําว่ายุนยาไม่เข้าใจความหมายของคําว่าโลกอาคเครออย่างนี้พระลอกรับเงียบครับอินนาร็อบได้การบิบรุษอดพวกะพระอเนี่ยรับรู้แน่นอนพระองค์เฝ้าดูอย่างแน่นอนอย่างกลุ่มคนชั่วต่างๆเห็นไหมครับ ตัวแลให้เขามีอำนาจให้เขามีความสามารถให้เขามีเทคโนโลยีให้เขามีนวตัต ก, กรรมให้เขามีความสุขสะดวกสบายในช่วงหนึ่งของชีวิตของเขาถ้าเรามองแค่มุมมองแคบๆแบบผู้ไปเสียศรัทธาเนีย่ยดูสิเนี่ยเขาได้มาแล้วก็เขาก็หลงและเริมไปกับมันเขาก็มีความสุขเขาก็ไม่เห็นต้องมาลำบากไม่เห็นต้องมาเดือดร้อนแบบฉันถ้าเรามองแคบๆจะเป็นกลุ่มชนแอสกลุ่มชนเซมูด จะเป็นฟอร์อุลแต่และคนที่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าหรือว่าฉันเลือกเป็นคนชั่วจะดีกว่าไหมชีวิตฉันจะได้มีความสุขกว่านี้ฉันจะได้ร่ารวยมากกว่านี้ฉันจะได้ไม่ต้องทนทุกแบบทุกวันอินนาบมแก่ลเีร์บบเี ร, เมร์มิซอดเป็นเร่องุรานที่มุสลิมเรานั้นควรจะตระหนักครับควรจะคิดได้ว่าเพราะลอยนวลฟ้ามองดูอยู่เพรนั้น กลุ่มคนที่เหมือนว่าเขาจะได้ดีทั้งๆ ท, ที่เขาควรจะได้รับความกดติ้วจากกบล้อมันมีมูลค่าที่เขาต้องจ่ายมันมีราคาที่เขาต้องจ่ายมันเป็นแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาที่เขาได้เช่นเดียวกับเราครับที่เรากำลังพำมามากำลังทุกด้วยเรื่องอะไรก็ตามหลบภัยไข้เจ็บการมีหนี้สินการถีบคนรักเนี่ยจากเราไปการที่เราถูกทิ้ง การที่เรามีความเศร้าการที่เรามีความเสียใจการที่เรามีความหวาดกลัวการที่เราเกิดความสูญเสียอะไรก็ตามแต่พี่น้องสำหรับมุสลิมแล้วความหมายของมันคืออะไรอินนาร์บัคแอนด์เบลน์มิสซอดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราพวกล้อรู้ดียิ่งกว่าเรารู้ดียิ่งกว่าเราว่าเรารู้สึกยังไงรู้ดียิ่งกว่าเราว่ า, ามันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างแล้วพวกก็รักเราเมตตาเรายิ่งกว่าที่แม่เรารักลูกของนางเสอีก สองวักน mm ี co ้คร mm ับม so, mm ุส hmm. ล mm ิมหลายท่านรวมกันไม่ได so, so, so, ้รวมกันไม่ได้ระหว่างพวกเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับที่ว่าพวกเรามตตาเขายิ่งกว่าแม่ของเขามุสลิมเรารวมไม่ได้เวลาที่แบบว่าทําไมฉันต้องเจอทําไมฉันต้องโดนทําไมฉันต้องเจ็บปวดทําไมฉันต้องทรมารเพราะสายตาของเรามันแคบเพราะมุมมองของเรามันแคบเพราะใจของเรามันโดนกินไปกับดุจยาและทุกสิ่งทุกอย่างของเราเลยเป็นดุจยาแล้วจึงตัดสินทุกอย่างได้กับดุจยา เราดูอายะกุรานอายะต่อมาครับที่พวออัลลอฮสุบฮาเปฮนหัวตราที่กล่าวไว้ครับฟะอัมลอินซานอิดามะบตาเลห์หูฝ่อักรมหูวะเนามะหูฟฟย์คุรับบีอักรมันเพราะว่ากล่าวไว้ครับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนตัวผมพี่น้องทุกคนธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนพกเพราะว่ากล่าวไว้ครับฟอัมลอินซานมนุษย์นั้นนะนะอิดมะบตลหพราเราใช้คำที่เราต้องฉุกคิดเมือ่อ พระ อ, องค์ได้ทดสอบเขาพราะรัชกาลวัดทดสอบมนุษย์นั้นเมื่อพระ อ, องค์ทดสอบเขาเมื่อนายของเขาทดสอบเขาแล้วพระ อ, องค์ให้เกียรติแก่เขาแล้วพระ อ, องค์ให้ความสะดวกสบายแก่เขาฟรอยกูรูรับบีอักครอมันเขาจะพูดว่านายของฉันเนี่ยให้เกียรติฉันานายของฉันใจดีจังเลยเห็นด้วยไหม เวลาถ้าเกิดเรขอววาปุ๊บอัลลอ์รับเลยโอ้อัลลอฮ์เมตตาสันอันลลอ์ใจดีจังเลยแต่พอเราขอไม่ได้สักทีขอปุ๊บไม่ได้สักทียังไงครับในขณะที่หากพระองค์ทดสอบเขาพระอค์รัใช้คาเดียวกันมันเป็นการทดสอบทั้งคู่ใ้ความผาสุขใ้เนี่ยไหมก็เป็นการทดสอบ หรือเชนเดียวกันครับและเมื่อพงษ์ทดสอบเขาโดยการให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาก็รออะไรลยทีริสกอห์กำหนดให้ริสกีของเขาเนี่ยเกิดการสูญเสียเกิดการเสียหายเกิดการผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะกล่าวว่าไงครับเฟย์กู้รุลบีอาห์า น, านั้นเจ้านายของฉันนจะดูถูกดูแคลนฉันไม่รับฉันทําไมไม่ยอมรับของฉันสักทีทําไมพงษ์เป็นแบบนี้หรือสารภัดที่เราจะพูด ทั้งทั้งที่พี่น้องที่รักครับอย่างที่เราคุยแต่ตอนแรกปัญหาไม่อยู่ตรงไหนครับทั้งคู่มันคบททดสอบเนี่ยการที่เราได้สิ่งที่ดีในดุ n y าหรือการที่เราได้สิ่งที่ไม่ดีในดุ n y าทั้งคู่มันคือการทดสอบจากหัวลอสุบะฮันหัวใาละมันมีความรักมันมีความเมตตาอยู่ในการที่เราได้รับก็มีความรักความเมตตาในการที่เราสูญเสียก็มีความรัก ความเมตตาของพระองค์อยู่เสมอแต่เรามองไม่เห็นแต่เพราะว่าใจที่คับแคบของเราเนี่ยมันจะรู้แต่ว่าฉันต้องได้สิ่งที่สบายใจฉันถึงจะรักับอัลลอฮ์ได้ฉันต้องได้แต่สิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันถึงจะยอมรับให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ฉันไม่อยากได้ เมื่อไหร่ก็ตามอัลลอฮ์ไม่ยอมตอบรับสิ่งที่ฉันขอเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ฉันเกิดความสูญเสียเมื่อนั้นแหละฉันจะเลิกนับถืพอพระองค์ฉันจะเลิกรักพระองค์เพราะฉันถือว่าพระองค์ไม่ให้เกียรติแก่ฉันน่าอุดบิลลายมินดาริกอินน่ลิลลฮิวาอินนาอิลัยฮิรอชยุนนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ที่พระลอสุบะฮานะหัวตาลาเตือนพวกเราเอาไว้แล้วพวกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วง เป็นเรื่องที่นราเป็นห่วงมากยิ่งกว่าปัญหาความผิดบาปของคนอื่นเรื่องที่นราเป็นห่วงที่หนักที่สุดก็คือตกลงเรามองพ่อร้อนแบบนี้ใช่ไหมถ้าได้ดีเราถึงจะรับกเกอาล้อหรือเปล่าถ้าไม่ได้เลยสักทีเราจะรังเกียจพ่ออย่างนั้นนะถามหน่อยครับถ้าเกิดเราเป็นกาเฟต์หมดทุกคนบนผืนแผ่นดินพวอเราจะสูญเสียอะไรไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ใครเดะที่จะสูญเสียมันก็คือตัวพวกเราเองพี่น้องที่รักยิ่งครับ อะไรคือการให้เกียรติในยักุรานเนี่ยพระลบบอกไว้เครับมนุษย์จะมองว่าพระเจ้าให้เกียรติเขาก็ต่อเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้มนุษย์จะรู้สึกว่าพระเจ้าให้เกียรติเขาก็ต่อเมื่อเขาขอแล้วเขาได้เลยหรือชีวิตเขามีแต่ความสะดวกสบายหรือเขาไม่มีสิ่งที่เวลวร้ายเลยเขาจะถึงจะคิดว่าพระเจ้ารักเขาให้เกียรติเขานี่คือมุมมองของมนุษย์ในขณะที่มุมมองของมนุษย์เมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นแหละถือพระเจ้าไม่ให้เกียรติเขา ทั้งๆที่เราบอกว่าไงนะครับในกุรานพวะเราบอกว่าทั้งคู่คือบททดสอบอยากให้พี่น้องตอกย้ํากับใจตัวเองทั้งคู่มันคือบททดสอบแล้วพวกเรารู้ดีกว่าใครแล้วผู้รู้เมตตาแล้วก็รักเรากว่าใครพี่น้องอะไรล่ะคือการให้เกียรติอะไรล่ะคือการให้เกียรติการได้คือการให้เกียรติการไม่ได้คือการไม่ให้เกียรติอย่างนั้นเหรอถ้าเรามาดูกันจริงๆพี่น้องผู้รู้เกล่าวในกุรานครับในศรัชวรอครับ ว่าลอบ ا ل ل ว์อัลลก لإباده لبغاو في الأرض ولاك ينزل بقدر ما يش ما يشاء إن ه بإباده قبير بسير ว่ากาว่าไงครับหากพวก Allah นั้นมอบริษกีความโปรดปานความสะดวกสบายสิ่งที่ดีงามที่สุดบนโลกไปนี้ให้กับบาบของพวกให้แบบเยอะๆให้ทุกคนให้แบบคนละเยอะๆเพราละกาว่าไงครับลบาเ พวกเขาก็จะดืดึงแล้วก็ฝ่าฝืนพวกเรารู้จักมนุษย์ดีอยู่กับตัวของมนุษย์เองเหมือนกับกลุ่มชนอาร์ตพวกเราให้อย่างมากมายผลก็ดืดึงกลุ่มชนสมมุทรพวกเราให้อย่างมากมายผลก็ดืดึงบรรดาฟื่องอุ่นทั้งทุกคนเลยที่มีเนี่ยพวกเราให้อย่างมากมายเขาก็ดื้อดึงก็ฝ่าฝินน้อยของน้อยของน้อย ของน้อยที่สุดของเบาวของพว์นั้นที่ได้เยอะๆแล้วจะขอบคุณกรณีอย่างอย่างเคสของนบีดาวุฒอย่างนาบีสุลมานเนี่ยน้อยของน้อยของน้อยมากมากทีนี้ครับเพราะโอกาสดีกว่านะครับหากว่าองค์เนี่ยได้ให้ริสกีแกเบาวให้แบบเยอะๆเลยเนี่ยเขาก็จะฝา่าฝืนแล้วก็ทําความชั่วร้ายบนผืนเป็นดินแต่ถ้าว่าพงค์นั้นประทานให้ ในปริมาณในจํานวนตามที่พระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์นั้นรู้จักบ่าวของพระองค์ดีแล้วพระองค์ก็ทรงมองเห็นพีนี้ครับอิบกกอลุกะซีอะไรพระองค์ครับเจ้าของตับซีอิบลุกะซีเนี่ยท่านได้บอกว่าไงครับท่านอธิบายว่าการให้ริสกีเนี่ยพระองค์เลือกว่าแต่และคนควรได้เท่าไหร่มันจะดีที่สุดสำหรับเขานี่คือที่มุกกะซีอธิบายนะครับผมซึ่งมุกกะซีนะครับ ได้อธิบายต่อครับโดยยกฮาริสฮาริสแบบ น, นี้เป็นฮิสดอยยิปนะครับเพียงแต่ว่าความหมายเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องฮาริสซีดอยยิปแบบนี้ว่าไงครับฮาริสดอยยิปแบ น, นี้อ้างถึงคําพูดของผู้รู้สุบฮานุตาที่บอกว่าในบ่าวของข้าเนี่ยจะมีคนที่เขาสมควรที่จะได้รับความร่ํารวยเพราะถ้าเขาไม่ร่ารวยเขาจะเสียคนแล้วก็ในบ่าวของข้าก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเหมาะสมกับความยากจน เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร่ารวยาศาสนาของเขาก็จะเสียถ้าฆ่าให้เขาร่ารวยเขาก็จะเกิดความเสียหายฮะดิษนิยาอิบกจริงครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูในบรริบทในความหมายจากอัลกุรอานที่ยกมาในฮะดิษบทอื่นที่เรานํามาประกอบพวกเรารู้จักเรานีกว่าใครในนอนพวกเราเราก็รู้ครับบ่าวคนนี้ถ้าพวกเราให้เขาร่ํารวยเขาจะใช้จ่ายทรัพย์สินเพื่อผู้อื่นพวกเราให้เขาร่ารวย ในขณะที่บางคนเมื่อได้ทัพย์สิแล้วมันเป็นบททดสอบทําให้เขาเสียคนมันก็มีเช่นเดียวกันเพราะนั้นพี่น้องในมุมมองของมุสลิมเบาประการแรกชัดจากอายะฮุบุลละเนชัดเจนเลยยิ่งบ่าวได้เยอะโอกาสที่เขาจะเสียคนยิ่งมีสูงเรารูอย่างคนที่พวกลอสุบะฮันตา ร, รักมากที่สุดเลครับใครที่ท่านนบีรักมากที่สุดท่านนบีม oh ูฮัมมัดสลอมลอฮ์ของอัลลอฮ์สลัมคนที่พวกลอสุบะฮันตารักเขามากที่สุดเป็นยังไงครับ อยู่อย่างยากจนอยู่แบบอดอยากไม่ใช่อดมื้อกินมื้อนะอดหลายมื้อเลยได้กินมื้อหนึ่งบางอาทิตย์บางเดือนไม่มีการจุดไฟไม่มีการทำกับข้าวอยู่ยังไงอยู่ยังอดอยากถ้าเป็นมุสลิมที่ไม่เข้าใจอิสลามเขาก็จะมองว่าไงครับทำไมพู้ราไม่ให้เจียรนบีทำไมผเ้ร้องไม่นบีร่ารวยหรือบางทีเขาอาจจะไม่สนเพราะนั่นเป็นนบี แต่พอเขาเจอเองกับตัวเขาปุ๊บทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันลาบากทำไมฉันทรมานทำไมพระเจ้าไม่ให้เกียรติฉันทำไมฉันทั้งๆ ท, ที่ฉันละหมาดทำไมไม่มีผลฉันขอดุอามาตั้งหลายเวลาแล้วทำไมฉันยังไม่ถูกตอบรับตบลงอะไรคือการให้เกียรจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานอตหวานหลายๆคนเมื่อเขายากจนเขาขอดุอาจากอัลลอ เขาขอความเมตตาจาก Allah เขามีอีมานเขาละหมาดเต็มที่ในขณะที่บางคนเมื่อเขามีความร่ำรวยเขาก็เสียผู้เสียคนตกลงอะไรแหละที่เดียวกว่าเป็นการให้เกียรติจริงๆสิ่งที่มันถูกใจเราหรือสิ่งที่มันยังประโยชน์กับเราคนบางคนถูกทดสอบตลอดชีวิตอย่างท่านอบดุลเยุเป็นโรคเลือ้อดใครก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้โดนทดสอบสารพัดทำดีสารพัดแต่ก็โดนทดสอบสารพัด แต่ผลสุดท้ายผู้ล้อรักท่านประกาศว่าท่านเป็นบุคคลที่พู้ล้อรักท่านได้อาเคียร์อาคิร์ทั้งหมดเป็นของท่านดุจยาท่านอาจจะได้อะไรไม่มากถามว่าใครที่เอาล้อให้เกียรติอย่างกษัตริย์น้ำรุ่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกครองโลกนี้มาแล้วมีอำนาจมีความเป็นอยู่ที่สุกสบายมีความผาสุขใครๆก็นับหน้าถือแต่ตอนนี้ตายไปแล้ว ได้ดุนยาส่วนเศษเสี้ยวเดียวแต่อคัครลเขาจะไม่ได้อะไรเลยตกลงใครคือบุคคลที่วอลล์ให้เกียร์เป็นสิ่งที่เราต้องสับปางตัวเองอย่างพี่น้องเป็นสิ่งที่เราต้องย้ำกับตัวเองว่าตกลงเนี่ยมุมมองของเราที่มีต่อพวกลอสซูบานอวตา ร, ตรานั้นเป็นอย่างไรเราเป็นมุสลิมจริงหรือเราเป็นแค่มุสลิมที่มีแค่ชื่อที่เรานั้นไม่เข้าใจอิสลามไม่รู้จักอิสลามอย่าไปเรียนอิสลามยาเอยเะอะเรียนศาสนาเยอะไม่มีอะไรจะกินเราฟิดแบบนี้ไหม ไปทำละหมาดไปทําอะไรเดี๋ยวขอด้วยอัลลอฮ์ก็ไม่รับจะละมาดทำไมเราคิดแบบนี้หรือเปล่าพี่ทั้งที่รักใครละ่ะคือบุคคลที่บัลลอฮ์ให้เกียรติใครคือบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เกียรติผมมีตัวอย่างครับคนดีๆที่พว้อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาให้เกียรติที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเขาเป็นบุคคลที่บัลลอฮ์ให้เกียรติอย่างมากมาย หนึ่งในตาบีอินตาบีอินก็คือบุคคลที่มีโอกาสได้เจอซาฮบะแล้วก็เป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสได้เจอนบีเราเรียกว่าตาบีอินตาบีอินบางท่านเนี่ยอยู่ในยุคนบีด้วยแต่ไม่มีโอกาสเจอท่านนบีมูฮัมมัดสุลแลมของอลลสแลมเขาทควาดีไรทาไม เขาถึงได้รับการขนา น, นามจากท่านนาบีมุ ส, สลิมทำไมท่านนบีมุ ส, สลิมพูดกับซอบานาบีพูดกับซอบานะว่าถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพู้ทันโอกาสเจอชายคนนี้จงไปขอให้เขาขอดูอาจากอัลลอฮ์ยกโทษให้กับท่านเพราะถ้าเขาขอดูอาอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะรับสิ่งที่เขาขออันนี้ท่านนบีพูดกับท่านอุมัดนะ ท่านนาบีมุลิมพูดกับท่านอุมะ ร, รยอนนองอุอันหูว่าอุมะหากคุณมีโอกาสเจอคนคนนี้ไปให้เขาขอไปโทษจากอัลลอฮ์ให้กับคุณ ท, ทั้งที่เขาเป็นแค่ตาบีอินและท่านอุมรัรเป็นใครเป็นคอลิฟ้าพี่น้องเป็นซอฮบ้เป็นคารีฟ้าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักเป็นอันดับสองรองจากท่านอบูบักท่าไม่ทัท่านท่าไม่นับท่านนาบีมุมลออิม เรื่องราวของชายคนนี้ครับชายคนนี้ชื่อว่าอับดุลเ h ล, ล, ลไวสอัลกูรานีอับดุลเบลบิวสอัลกูรานีเนี่ยเป็นชาวเยมเมนเป็นชาวเยมเมนอยู่ในอยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะไลฮิวะสัลลัลมซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามตอนที่ท่านนบีมฮัมมัดสลลัลฮุอะฮิวะสัลลัมเนี่ยส่งตัวแทนไปที่เมืองเยมเมนท่านก็ไปเข้ารับอิสลามตอนนั้นแต่ ท่านไม่ได้มาหาท่านอับดุมฮัมหมัดสลอมลของอัลลอฮฺสุลแลมหรือถ้าเกิดท่านมาปุ๊บท่านเป็นซาฮาบะตันทีแต่ท่านไม่ได้มาอะไรทําให้ท่านไม่ได้มาเนื่องจากว่าท่านนั้นมีแม่ที่แก่ชราอยู่แลีวท่านก็รู้ว่าหน้าที่ของท่านถ้าเกิดท่านไปหาท่านอบีเนี่ยไม่มีใครดูแลแม่พ่อแม่ไม่สามารถเดินทางไกลได้บางคนอาจจะมองว่าการไปหานบีสิทธิ์มหสิสคัญที่สุดต้องจีฮัสิต้องทิ้งให้หมดสิท แบบความเชื่อของมุสลิมบางส่วนที่แบบว่าทิ้งไปเลยทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรเลยเอาลอดดูแลเองแต่ท่านอับดุลลาห์เวสอกูรานีเนี่ยท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านว่าอามานะของท่านต้องดูแลแม่ตอนนี้ท่านเขารับอิสลามแล้วท่านยังไม่สามารถไปหานบีได้เพราะท่านต้องดูแลแม่แล้วผลสุดท้ายท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมมัดสุลตัมเสียชีวิตก่อนที่แม่ของท่านจะเสียชีวิตก็คือท่านไม่มีโอกาสได้ไปหาท่านอับดุลยลาะห์เลยจนอับดุลเลาะห์มูฮัมมัดสุลตัมเสียชีวิตไป แต่พี่น้องที่รักรู้ไหมครับว่าท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านพูดถึงท่านไว้อย่างไรบ้างในวินทย์ขอยมามุสลิมในวินทย์ขอยมามุสลามนะครับก่อนจะเข้าถึงมามุสลิมเนะี่ยผมต้องเกิดมาก่อนขอเกินนนดนํานิดหนึ่งฮะดี้ติสายแรงงานหนึ่งท่านอับดุโมฮัมมัดสุลต่านของอับดุลสลามบอกว่าในประชาชาติของฉันน่ะมีคนคนหนึ่งที่ว่าเขานั้นสามารถให้ชฟาให้ได้กับคนเป็นเผ่าเป็นเผ่าเลย ให้ชฝาออกหน้าแทนขอเอาล่อให้ยกโทษให้แทนเป็นเผ่าเป็นเผ่าเลยแล้วเขาขอดูอะไรเราก็จะรับท่านอับดุลลาบอกไว้คือให้ชะฟาคนได้เป็นพันเป็นหมื่นคนพี่น้องที่ดูว่าเขาจะต้องเป็นคนดีขนาดไหนซึ่งท่านบับดุลลสบอกไงครับหากใครมีโอกาสเจอเขาฝากสลามของฉันไปถึงเขาด้วยอันนี้คือมัจิสาครับพเพราะลซมาอัตให้ท่านอับุลลสรูรร้ว่าท่านบจะไม่มีโอกาสได้เจอกับชายคนนี้ ึท่านนบีก็ได้ระบุชื่อเลยว่าเขาชื่ออวสแล้วท่านนบีก็บอกคุณลักษณะไว้ว่าคนคนเนี้เป็นคนที่เขาทําดีกับแม่ของเขามากให้เกียรติแม่ของเขามากรักแม่ของเขามากแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องการศรัทธาต่อพวกรัสมานตัวนู้นว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์มากแล้วก็ให้ทําดีต่อพ่อแม่มากจนทั่งว่าถ้าเขาขอ d u าปุ๊บอัลลอฮ์จะรับทันทีท่านนบีก็บอกว่าใครก็ตามเจอเขาเนี่ยฝากสล่านของฉันไปหาเขาด้วย แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะไปขอให้เขาขอดุทาิจากอัลลอฮ์ให้ยกโทษกับคุณอัลลอฮ์จะรับดุอิของเขาแล้วเขามีสิทธิ์ในการให้ชฝาคนอย่างมากมายอันนี้ผมรมวมรายดีในหลายสายสายแรงงานท่านอับดุลเบมสุสเลซัมได้บอกกับท่านอุมัตไว้ถึงสัญลักษณ์ครับว่าชายคนเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเขาจะเคยเป็นโรคเรื้อนมาก่อนเขาจะเคยเป็นโรคเรือนทั้งตัวแล้วพอเราให้เขาหายจากโรคเรือนซึ่งโรคเรื้อนเนี่ยมันจะเหลือแค่เป็นรอยแค่ ประมาณข้อนิ้วมือบริเวณท้องเหลือเลือนอยู่ประมาณเนี่ยท่านอูบิอกนี่คือสัญลักษณ์จะได้รู้ว่านี่แหละคืออูวสฉันพูดถึงทีนี้ครับมีปีหนึ่งที่ท่านอูมาสเนี่ยได้มาทำํำฮัตมีคนมาทำฮัตก็มาครับมาที่จงอาราฟัตท่านูมัสก็ไปตามหากองที่มาจากกองคารวาลกลุ่มที่มาจากเมืองเยเมนแล้วก็ถามว่านี่หมูพวกท่านมีไหมใครนิชื่ออูวส์อูวสอัลกุรานี ก็หลายหคนไม่รู้จักครับคือเป็นคนไม่เด่นดังเป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมเป็นแค่คนปกติธรรมดาหนึ่งคนประเด็นแน่สําคัญอยู่ตรงนี้ประเด็นแน่าสนใจประเด็นที่สําคัญอยู่ตรงนี้เขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ถึงขั้นว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้มีใครรู้จักเขาเป็นพิเศษไม่ได้มีบทบาทอะไรก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับผมไม่ต่างอะไรกับพี่น้องเราก็เป็นแค่คนธรรมดา ไปไหนก็ไม่ไ ม, ไมีใครรู้บางบางที่ถามชื่อก็าไม่รู้ออาคุณเป็นใครเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําแต่หน้าที่อวสช์เขาคือบุคคลที่มูงรักมากที่กว่าใครถนนมัดก็ไปตามหาพอไม่เจอครับท่านก็ไปดูก็มีคนบอกว่าลองไปดูซิอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เนี่ยคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตอนนี้เขาไปละหมาดอีกต่างหาอยู่ที่หนึ่งในที่ทุกอาราบะ ท่าอุมัตพอไปเจอคับท่านอเวสกุรอนีท่านอุมั ต, มตก็ถามหาว่าคุณมีแม่ใช่ไหมเขาก็บอกใช่ครับแล้วเขาก็ท่านอุมัตก็ถามคุณเนี่ยเผ่กากุรอหนีใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ท่าอมัตก็บอกว่าขอผมดูท้องคุณได้ไหมขอผมดูท้องคุณได้ไหมท้องคุณเนี่ยเคยเป็นอยังมีร่องรอยของโรคเลือนอยู่ใช่ไหมที่ประมาณเหรียญยี่หัน่นเพอเปิดมาปุ๊บเขาก็บอกว่าใช่ รูมากล่าวครับฉันได้ยินท่านอบีุหมฮัมหมัดสุลต่าได้บอกไว้ว่าถึงเวลาเนี่ยจะมีช่วงที่อุไวสบินอาเมียเนี่ยจะมากับกลุ่มของเขาจากเมืองกิเบนมาหาพวกท่านซึ่งเขาเนี่ยจะมีร่องรอยของการเป็นเพื่อนหรือเป็นเลื้อนอยู่ประมาณเปีหนึ่งเขามีแม่แล้วเขาเนี่ยทำดีกับแม่ของเขามมกหากเขาสาบานขออะไรจากอัลลอฮ์ก็ตามอัลลอฮ์จะรับ นี่คือท่ททานอับดีมัสซัมบอกไว้เดิมที่เคยหมัมุสลิมหากคุณสามารถให้เขาขอจากอัลลอฮ์ให้พระ อ, องค์ยกโทษให้แก่คุณได้คุณจงไปขอแก่เขาท่านอุมัตก็บอกแบบนี้ท่านอุมัตก็บอกเขาผู้เศษท่านอุมัตก็บอกกันว่าท่านอบดีเนี่ยฝากสลามมาให้คุณนะท่านอับดุลเบีมัสรซัมซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนวิชัอยู่ท่านฝากสลามให้คุณแล้วท่านก็บอกกับ ฉันคือบอกกับทนูมารว่าให้ฉันมาขอให้คุณช่วยขอจากอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้ฉันด้วยท่านก็ขอท่านก็ขอรอดีแลอันหุอัจมาอินนี่คืออะไรครับนี่คือการให้เกียรติจากอัลลอฮ์อย่างแพ้จินถูกไหมครับพี่น้องการให้เกียรติไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นคนเด่นดังในสังคมไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นคนที่ ใครๆก็รู้จักไม่จําเป็นว่ า, าต้องเป็นคนที่แบบว่าร่ำรวยมั่งคั่งมหาศาลไม่จําเป็นอะไรเลยเราอาจจะเป็นคนธรรมดาในแหละในท่ามกลางหมู่คนธรรมดาทั่วไปเราอาจจะถูกทดสอบเหมือนกับที่คนธรรมดาถูกทดสอบเราอาจจะยากจนกว่าคนอื่นเราอาจจะลําบากกว่าคนอื่นอาจจะเดือดร้อนกว่าคนอื่นแต่พี่น้องที่รักครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์รัฐถ้าเราให้ความสําคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่น ถ้าเราทําให้พวกล้อ ร, รักแล้วพอใจเราได้คนอื่นก็ไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องจะเป็นคําชมของคนอื่นก็ไม่ได้มีค่าอะไรจะเป็นคําคาหาคําด่าว่าของคนอื่นมันก็ไม่ได้มีคุณค่าหรือมีความหมายอะไรเลนี่คือการให้เกียรติจากโภลลัสุภานาหัวตาละอย่างแท้จริงที่พวกเราทุกคนต้องสะแสวงหาพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะ นี่คือทุกนจริงๆอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอย่างแท้จริงเราไม่ได้ต้องการให้มีความสุขใน d ุ n y a เราไม่ได้ต้องการขอ dua ปุ๊บต้องถูกตอบรับเราไม่ได้ต้องการว่าเราต้องไม่มีนิสัยเราต้องไม่มีโรคภัยไม่ใช่เลยสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้พู้อรรถสุภานุวัตรให้เกียรติเราอย่างแท้จริงมันอาจจะเป็นการให้เกียรติที่เราไม่เข้าใจพู้อรรถอาจจะให้เกียรติเราด้วยการให้เรานั้นป่วยไข้ พวอเล่าจะให้เกลียดเราด้วยการให้เราไม่สบายพวอเลาจะให้เกลียดเราด้วยการให้เรานั้นมีนี่สัยพวกเร่าจะให้เกลียดเราด้วยการให้เรานั้นยากจนพวอเร่าจะให้เกลียดเราด้วยการให้เรานั้นสูญเสียพวอเลาจะให้เกลียดเราด้วยการให้เรานั้นเกิดความหวาดกลัวหากว่าเราเข้าใจสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนั้นมันก็จะเป็นแค่เพียงชั่วประเดียวประดาว ที่ถึงเวลามันก็จะผ่านเราไปเราไม่จะเป็นต้องเป็นนบีเราไม่จะเป็นต้องเป็นรอซูเราไม่จะเป็นต้องเป็นซะฮาบะขอแค่เราเป็นบุคคลที่พร่ำล้อให้เกียรติอย่างแท้จริงนั่นแหละครับชีวิตของเราบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดในการเกิดมาในโลกดุริยางแล้วเพราะฉะนั้นการได้รับการสูญเสียความหวาดกลัวหรืออะไรก็ตามแต่ในดุนยามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประเดา فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربّه فأقرمه ونعمه فيكون ربي أقرما وأما إذا ما بتلاه فقادر عليه لسقه فيكون ربي أهانا เท่าที่เราคุยตอนแรกแน่นอนนายของเจ้าเป็นผู้ที่มองเห็นมนุษย์นั้นหากเราทดสอบหรือหากพคทดสอบเขาให้เขามีความผาสุกเขาจะบอกว่านายของเขานั้นให้เกียดเขา แต่หากเราทดสอบให้เขาเกิดความสูญเสียเขาจะบอกว่านายของเขานั้นไม่ให้เกียรติเขานายของเขา้ดูถูกเขาพี่น้องการให้เกียรติอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่ในดุลยาตอกย้ำกับตัวเองให้มากๆการที่พระลอสจะให้เกียรติเราอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ในดุลยาแต่มันคืออาคีรอผมจะยกตัวอย่างบุคคลที่พระลอสให้เกียรติเขา ในกีตาบุซุของอิมามอ้ามัดบินฮัมบัลครับท่านได้รายงานฮะดิษจากท่านอบูฮุเรลรอไว้ท่านบอกว่าไงครับในวันกิยามะเนี่ยพวลดุบฮาตระนั้นจะเข้ามาใกล้บ่าวของพระองค์คนหนึ่งซึ่งพวลดจะปกปิดไม่ให้คนอื่นรับรู้เลยคือมีแค่พงค ก, กับบ่าวของพระองค์ท่านั้นที่รู้แล้วพวลดก็จะเอาบันทึกเนี่ยให้กับเขาแล้วพวลดก็จะบอกว่าลูกหลานของอาดัมเ อ, อ๋ยจงอ่าน นี่คือบันทึกของเจ้าบทสนทนาทั้งหมดนี้ระหว่างเอาล้อกับบ่าของพวกคนอื่นไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครรับรู้เลยหลังจากนั้นเป็นยังไงครับเวลาที่คนคนนี้อ่านเขาก็จะเจอความดีที่เขาทำใบหน้าเขาก็จะเบิกบานจะผ่องใสมีความสุขไงครับมีความสุขพวงล้อซุปหานูวัตราก็กล่าวว่าเจ้ารู้ถึงความดีเหล่านี้ที่เจ้าทาใช่ไห บ่าวก็จะบอกว่าใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมทําำโฟล้อจะบอกว่าไงครับนี่แหละคือสิ่งที่ค่ารับค่ารับสิ่งเหล่านี้ความดีทั้งหมดที่เจ้าทาค่ารับเพราะอย่าลืมครับความดีหลายอย่างพวกเราอาจจะไม่รับแต่พโฟล้อพูดกับบ่าวคนนี้ว่าความดีที่ว่ามาเนี่ยค่ารับก่อนดีของเจ้าบ่าวคนนั้นก็จะมีความสุขครับแล้วเขาก็จะสุยู่งกับโฟล้อซุบฮาลัวตราตอนนั้นเลยคนอื่นเห็นแต่เขาสุยุ่แต่ไม่รู้ว่าบทสนทนาสนทนาอะไรกัน รู้แต่ตอนเขาสื่ตอตอบพวกลอสซูบ า, าแล้วหลังจากนั้นพวกลอสก็จะบอกว่าอ่านต่อชายคนนั้นก็จะอ่านต่อครับแล้วก็จะเกิดเจอความชั่วร้ายที่เขาทำเจอความชั่วร้ายเป็นไงเละพี่น้องหน้าดําค่ําเครียดสิเครียดพอเจอผู้พอลอสก็ถามครับเจ้ารู้จักเรื่องที่เจ้าทำนี้ใช่ไหมเจ้าจําได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ครับยาอมลอสผมจําได้พอลอสบอกว่าไงครับข้าได้ยกโทษให้กับเจ้าแล้ว บาปเนี่ยข่า ย, ยววกโทษให้เจ้าแล้วชายคนนี้พอได้ยินปุ๊บก็จะซื่ออยูต่ต่อพวกลอสุภ า, านตะอไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอเปิดเจอสิ่งดีๆพวกลอสก็บอกว่าข้ารับของเจ้าคนคนนั้นก็จะซื่ออยูต่ต่อลอสพอเจอสิ่งที่ไม่ดีพวกลอสก็จะบอกว่าข่าโยกโทษให้กับเจ้าบ่าปคนนั้นก็จะซื่ออยูต่ต่อลอสคนนอกไม่ได้รับรู้บทสนทนาเลยรู้แต่ว่ามีการซื่ออยู่มีการซื่ออยู่มีการซื่ออยู่ จนถึงขั้นมีคนบอกว่าคนคนนี้นี่ช่างดีเหลือเกินนะชีวิตเขาคงไม่เคยฝากฝืน อ, อะไรอัลลอฮ์เลยคงมีแต่สิ่งดีๆชีวิตเขาเพราะเขามีแต่ได้สิยุดมีแต่ได้สิยุดไม่มีเรื่องเหลวหลายเลยโดยที่คนนอกไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าความชั่วเนี่ยก็มีแต่พวกอัลลอฮ์ช่วยปกปิดไม่ให้ใครได้รับรู้ พี่น้องว่าจะมีการให้เกียรติไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ละ่ะรพี่น้องว่าจะมีไหมจะมีใครได้รับเกียรติมากไปกว่านี้คนที่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนให้เกียรติทั่วโลกมีคนนับหน้าถือตามีคนที่แบบว่าใครใครก็อยากเจอนคนที่ราำรวยมีแต่ความสุขพี่น้องว่าเทียบได้ไหมกับบุคคลที่ไปในโลกหน้าแล้วเขาได้รับเกียรติจากอมร์ ด้วยการไม่ให้เขาต้องอับอายต่อหน้าผู้คนเลยแล้วผู้คนก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนดีด้วยซ้ำจะมีเกียรตยิยศอะไรน่าชื่นชมหรือว่ายินดีน่าปลื้มปิติยิ่งไปกว่า น, นี้ฝ่ามลิศานุอิดะมบะเตลาหูรับผู้ฟ้ากรมุห์วานงามุฟายกูรับบีอักรามันว่าม์มิดะมบะเตลาหูฟ้ากัดรออัลีสโตฟายกูรับบีอัฮาดัน อย่าเป็นเช่นมนุษย์ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่าเป็นเช่นมนุษย์ที่ไม่รู้จักอิสลามที่เขาไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสําหรับเขาอย่างแท้จริงที่เขามัวแต่บ่นที่เขามัวแต่ด่าว่าที่เขาไม่มีความสุขในการเป็นมุสลิมจงเป็นมุสลิมที่มีความสุขความภูมิใจที่เป็นมุสลิมถึงแม้เราจะเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามเพราะนั่นแหละคือเกียรติยศที่พว้อาลลอฮฺสุบฮานาตานั้นเตรียมไปตอบแทนให้กับเรา ขอดูอาจะาพวกลอสซูบานุวาตลาผู้สรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเตรียงไกลผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใด น, นอกจากองค์ขอดูอาจะาพวกลอสซูบานุวาตลาครับให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการให้เกียรตยิยศอย่างแท้จริงจากพวกลอสซูบานุวาตลาขอให้เรานั้นได้เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่องค์ทํากับเราแล้วเรานั้นได้ขอบคุณต่อองค์ให้เรามีความอดทนในบททดสอบที่พวกนั้นยื่นยืมให้กับเรา ให้เราเป็นบ่าวที่รู้คุณให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมุสลิมแล้วก็เราเสียชีวิตอยู่อย่างผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ในสภาพของบุคคลที่พระรักเขาพอใจเขาแล้วก็ใ้เกียดเขาขอให้เรานั้นมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่พระองคเราจะปกปิดเรื่องหน้าละอายหรือความชั่วร้ายของเราในวันเกียรติมาแล้วก็เช่นเดียวกันในดุงยาขอพระองค์ร้องรักเราขอพระองคเมตตาเร า, รเราขอพระองค์ร้องให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นผิดให้เราออกห่างจากมัน ขอพ่อลอสให้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่าปังเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องนั้นได้ขออย่าให้เรานั้นเป็นบ่าปที่เนระคุณต่อพระองค์ขออย่าให้เรานั้นเป็นบ่าปที่เห็นดุนยาเนี่ยมันใหญ่ที่สุดสำหรับเราจงหลุดลืมลาอาคิร์รักขอให้เรานั้นรับสิ่งที่ดีในดุนยาขอให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีแต่ในอาคิร์รักแล้วก็ขอให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษในลุกฝองศพแล้วก็ไฟในโกด้วยความเมตตาของพ่อลอสซูปาโนอาตาลาอาคิร์รักครอบพ ชีวิตที่หลายครั้งเราขอเราขอเราขอแต่เรายังไม่ได้ตากที่เราขอนี่คือบททดสอบที่พ่อรอนั้นเบีรมิซอดปวลลัสุรอบรู้แล้วก็รู้เห็นในทุกๆช่วงจังหวะของชีวิตของเราจงมีความอดทนแล้วจงมีความเชื่อมั่นในปวลลัสุบาฮัวาตาลาจงทําตัวเป็นบ่าวที่ดีแล้วเราจะไม่มีวันผิดหวังเพราะปวลล์ไม่เคยทําให้ บาวที่พวงรักนรนผิดวักครับอกูรู้าีฮวสกลอฮลิ่ละคนวัดิศาอินมุสลิมีน่กูรู้ดวสักพูดนู่นว่าก็ฟูรหิมสุบฮะรัลลอฮฺมัยฮัมมักะอัชาฮฺวะลัยลาอิละอัตตะสักพูดกับดูเลยสุลามัยทุกทุ่งละวะบาร์กัตุข์ครับ